สวัสดีค่ะในที่สุดก็เริ่มต้นบล็อกแรกนด์แอหลังจากที่จุดๆเริ่มจมมาอยู่หลายเดือนนะคะเป็นยาตาสามกระถ่าวปะจริงๆแล้วที่คนอยากจะเห็นที่สุดก็คือฟิกเกอร์นะคะที่เคยบอกไว้ว่าคนแรกที่กว่าจะได้ยินก่อนก็คือคุณแม่อะเพราะว่านานก็ไม่ทราบว่าที่ลูกสัรส่งผมเลี้ยงสารส่งฟิกเกอร์มากแค่ไหนดังนั้นแม่ก็เลยจะมาเป็นแขกเชิญคนแรกของการบล็อกในช่องจองถันนะส่วนพี่ออมมันดัง ผมว่าเออถ่ยมาเชิญนะคะทาตัวไม่ผูกแม่มาเออกทีวีปกติแม่ออกแต่ถุงพีี่ผมปังเต้าแม่เวไม่เล่นเนาไม่เล่นจริงๆนะต้นลิ้สวยอยางที่บ้านแม่หนวันนี้นี่ก็สวยนี่ก็สวยมากขนานี้ก็เอามาจากบ้านแม่จะสวยปุยแบบทวงคอมเนะนี่กบ้านแม่นี่บ้านแม่นี่บ้านแม่นี่บ้านแม่เดาค่ะเดาหน่คื้นแม่ค่ะก็คือต้นที่มาจากที่นี่เจ้บ้านแม่นี่เ้บ้านแม่ อ่ะไปจบจริงๆจะชวนมาดูผมเลี้ยงแต่ดูส่วนเล็กๆนะบอเขาหน้าร้านเลียงอะเป็นเปลือกเป็นแม่แค่้าเลยค่ะไม่อยากไม่หลงแค่เนี่ยถ้าาอยากไม่ดิก็คือขึ้นอยู่ของแม่จะได้อะไรติดบ้านตายพอรู้แบบที่รู้จริงๆก็คือไปเที่ยวต่างประเทศช่ยกันโดนรอโดนรอแค่ไปรอ ไม่เคยไอ้สังใช่หรือเอเริ่มที่สวิตเซอร์แลนด์ก่อนจอฟฟี่ให้แม่ไปนั่งอยู่ข้างหลังดูฝูงว่น้ําเย้ลูกหายเบเป็นจึงบงสมผลที่เห็นก็า้าว่ายเยอะแต่คิดว่าพอดมเดียวกว่า น, นี้เพราะน้องขันถ้ารัดอะไรแล้วเขาเขาเหมือนคนใจเดียว <c oughs> เขาเป็นตัวของเขาอ่ะถึงว่าวันนี้มาไปเรียนแมาไปเรียนเดี๋ยวนอนอยู่บ้านถ้าเกี่ยวกันเรื่องของเล็ดเล็ดนะเขาดูดวางดินนี้ใส่เขาอ่ะ ที่เขาเริ่มเริ่มตอนมีหลานมีแค่แม่ดูทรายนำ้ำวนมาอ่ะ ม, มูนม้ำมาเกิดเนี่ยรู้สึกว่าสัตจะเริ่มมีอนูน้นนี่ไปให้หลาน mm hmm. ก็คือ mm hmm. พอเจอให้หลานเสร็จก็คือแอดแฮมเลยเองบันเซฟแล้วตอนนั้นก็คือไม่มึงหลายต่อไป <laughs> ไม่ได้แล้วคือเศรษฐีมันเดอะขึ้นก็ที่ที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยรู้ละ ว, ว่าโอแม่นำจับไปนอนโรงแรมที่ญี่ปุ่นแต่ชอบไปเศรษฐีอ๋อเขาไม่รีที่ให้ให้ผู้ใหญ่ั่งแล้วรอยุเยอะก็มีแหละแต่นั่ ง, ยยา น, งนาหนาวไงกายฟกัาแม่ก็ได้นะไปจอไปเจ็นั้นโรงแรมว่ะอื ม, มอยไปที่นเนาะโอ้เล่าแต่ละเรื่องไม่ไดเอามาข า, า, ายนม่ฟูดเรื่องจริงย่าเดียว เรื่องง่ายรีดติโตแนนเหนโอ้ไม่รีดแบบนี้ไม่รู้เดี๋ยวกันพิทาโตเดี๋ไม่มีดแค่แบบนี้นะบบนนะเดี๋ยวเราสนใจไม่ได้พิทาโตอันนี้รีดไอ้ไอตัวผู้มีที่แบบซื้อให้หลัง <S <S ใช่ มาลิทเทนพลูนี่คืออังกีษซื้อให้หลานอันนี้ไม่ถึงมือหลานละอยู่ที่มือคุณนี่แหละเม่แบง่งมั่ง ไ, ได้ดิเนี่ยใจเย้อะโอ้โหป๊อบป๊อบป๊อปอบป๊อวป๊อมป๊อบปอบป๊อบไ๊อบป๊อบป๊อบป๊อบป๊อบป๊อบป๊อบป๊อบอป๊อบป๊อบป๊บปอบ